เรื่องเล่าผีหลอนตอนทุดดงครั้งแรกเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณสมาชิกหมายเลข2 8 3 0 7 2สได้นำมาถ่ายทอดไว้ในเว็บพันทิปคอมโดยเรื่องราวก็มีอยู่ว่า เมื่อสาปีก่อนณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่หลวงพี่รูปหนึ่งบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ห้าพรรษาแล้วยังไม่เคยออกทุ ด, ดงพระรูปอื่นๆที่อยู่มาก่อนก็ออกทุ ด, ดงกันไปหลายต่อหลายรูปซึ่งจริงๆแล้วการทุ ด, ดงไม่ได้เป็นการบังคับทำด้วยใจเท่านั้น ถ้าพระรูปไหนไม่อยากทุดดงก็ไม่ว่ากันแต่สําหรับหลวงพี่ท่านนี้ท่านอยากทุดดงสักครั้งในชีวิตเพื่อขัดเกลาจิตใจปล่อยวางและเพื่อเข้าถึงธรรมะแต่ที่ผ่านมายังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ออกทุดดงและ ว, วันนี้เป็นวันที่หลวงพี่กำหนดไว้แล้วว่าจะออกทุดดง หลวงพี่ก็เตรียมของสำหรับการทุ ด, ดงซึ่งก็มีไม่กี่อย่างส่วนพวกอาหารก็บินท่าบาทเอาการออกทุ ด, ดงในครั้งนี้หลวงพี่ต้องออกทุ ด, ดงเพียงลำพังไม่มีพระรูปอื่นตามไปด้วยเลยเพราะที่ผ่านมาก็ออกทุ ด, ดงกันทีละรูเช้าตรู่หลวงพี่เริ่มออกทุ ด, ดงเดินเท้าเปล่า ในตัวมีของใช้สำหรับพักแรมเท่านั้นหลวงพี่เดินผ่านหมู่บ้านหลายต่อหลายหมู่บ้านเจอผู้คนที่เห็นหลวงพี่แล้วยกมือไหว้บางคนที่เห็นก็จะถวายอาหารแหง้งน้ําดื่มอยู่เป็นระยะระยะหลวงพี่รู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบเจอสิ่งใหม่ หลังจากอยู่กับกิจวัตรเดิมๆมาถึงห้าพันษาบ่ายคล้อยมาหลวงพี่เดินท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนเอาเรื่องในวันนี้จึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้ไว้แต่เนิ่นๆก็เดินไปเรื่อยๆสักพักหลวงพี่ก็เจอเชิงดอยลูกหนึ่งไม่ใหญ่มากเดินไปอีกหน่อยก็ถึงหลวงพี่ตัดสินใจ เดินไปที่ดอยน้อยลูกนี้จากตรงนี้ก็ดูเหมือนใกล้แต่กว่าจะเดินไปถึงก็เหนื่อยเอาเรื่องหลวงพี่เดินไปถึงบนยอดดอยพอดีจุดนี้เหมาะที่จะพักค้างแรมมองลงไปก็จะเจอทิวทัศน์ที่สวยงามและบริเวณนี้จะไม่มีผู้คนบ้านเรือนจะอยู่ห่างไกลออกไปหลายกิโลเมตร หลวงพี่ปักกลดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งระหว่างนี้ก็ทำธุระส่วนตัวไปด้วยเสร็จแล้วหลวงพี่ก็มานั่งทบทวนสิ่งที่ได้พบเจอมาในวันนี้สักพักแสงแดดก็จางลงเรื่อยๆจนลับขอบฟ้าหลวงพี่ก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆหลวงพี่บอกว่าในใจจริงๆรู้สึกกลัวขึ้นมานิดๆ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องอยู่ลำพังในที่ที่ไม่คุ้นเคยหลวงพี่ก็ทำสมาธิต่อสวดมนต์ไปด้วยจนเวลาผ่านไปเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะดึกมากแล้วหลวงพี่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์สองสามคันขับขึ้นมาบนดอยที่หลวงพี่ปักกดอยู่หลวงพี่ก็นั่งสมาธิต่อ แต่มุ่งจิตไปฟังเสียงที่กำลังเกิดขึ้นเสียงมอเตอร์ไซค์ทุกคันขับผ่านหลวงพี่ไปประมาณห0บเมตรได้ก็ได้ยินเสียงวัยรุ่นชายห้าหกคนพูดคุยกันเสียงดังเจียวจ้าวตามด้วยเสียงกำลังก่อไฟสักพักก็เป็นเสียงดีดกีตาร์ร้องเพลงกันอย่างคึกครืน้นเอ้าชนเสียงวัยรุ่นกินเหล้ากัน เสียงทั้งหมดดังอยู่แบบนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เงียบไปเงียบแบบเงียบสนิทเหมือนเปิดเพลงไว้แล้วกดปิดทันทีประมาณนี้ไม่มีแม้แต่เสียงกองไฟที่เมื่อกี้ยังดังชัดเจนอยู่เลยหลวงพี่จึงลืมตาขึ้นแล้วมองไปที่จุดที่ได้ยินเสียงเหล่าวัยรุ่นเห็นเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่แล้วกลุ่มควัน ก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นใบหน้าคนหันมามองหลวงพี่หลวงพี่นั่งตัวแข็งทื่อเพราะความกลัวกลุ่มควันนั้นรวมตัวกันอีกครั้งจนกลายเป็นรูปร่างชายวัยรุ่นคนหนึ่งสีเทาๆทั้งตัวเดินเอามือกุมท้องที่ท้องมีเลือดไหลด้วยกำลังเดินเข้ามาหาหลวงพี่หลวงพี่พยายามแข็งใจ ไม่ไห้ชายคนนี้รู้ว่าหลวงพี่กลัวมากในตอนนี้ระหว่างที่ชายวัยรุ่นกำลังเดินเข้ามาก็มีหยดน้ำสามสี่หยดมันตกลงมาใส่หลวงพี่จากด้านบนหลวงพี่แงนหน้าไปมองก็ไม่เจออะไรก็เลยหันหน้ากลับมาโอ้ยเสียงหลวงพี่ตะโกนออกมาเพราะความตกใจ เพราะหลังจากที่หันหน้ามาก็เจอร่างชายวัยรุ่นที่เมื่อกี้กำลังเดินอยู่ไกลๆตอนนี้มานั่งจ้องหน้าหลวงพี่อยู่ใกล้ๆเนื้อตัวมอมแมมเลือดก็ยังไหลออกจากท้องเรื่อยๆหลวงพี่ไม่กล้าศบตาจึงหลับตาไปเพื่อจะสื่อสารกันมีอะไรให้อตมาช่วยไหมโยมหลวงพี่แข็งใจ พยายามสื่อสารแต่ชายวัยรุ่นไม่ตอบได้ยินแต่เสียงลมหายใจจากนั้นก็เป็นเสียงเหมือนกําลังกินอะไรสักอย่างแล้วกลิ่นเหม็นเน่าก็คลุ้งไปทั่วหลวงพี่รีตามองนิดหนึ่งก็เห็นร่างนั้นกําลังแลบลิ้นกินเลือดที่ไหลาจากท้องตัวเองคราบเลือดเยิ้มเต็มปากอาตมาไม่มีวิชาอาคม ที่จะสื่อสารกับโยมหรอกนะอัตมาจึงไม่รู้สาเหตุที่โยมเป็นเช่นนี้อัตมาจะแผ่เมตตาให้ขาดเหลืออะไรก็เข่าฝันบอกอัตมาก็แล้วกันหลวงพี่เปล่งเสียงออกไปพร้อมกับสวดมนต์แผ่เมตตาพอแผ่เมตตาจบหลวงพี่ก็ลืมตาขึ้นก็ไม่เจอร่างนั้นแล้วรุ่งเช้า หลวงพี่ก็ออกทุ ด, ดงต่อไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยจนการทุ ด, ดงสิ้นสุดหลวงพี่มารู้ข่าวทีหลังว่าที่ดอยลูกนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นมาสังสรรค์กันแล้วก็เล่นไพ่เล่นไปเล่นมาเกิดมีปากเสียงกันบานปลายจนต้องทําร้ายกันมีคนตายหนึ่งคนถูกแทงเข้าที่ช่องท้อง จมกองเลือดอยู่กลางดอยแห่งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวห ล, ลอนจากท่านสมาชิกหมายเลข2830723ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟ b บุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ